พุทธสวัสดีค่ะท่านฟังที่เครบค่ะดิฉันสรรณี FM 106 นะคะสถานีวิทยุ วันนี้ก็ไปกราบนมัสการท่านไภบุลย์กันเลยนะคะ อุดรธานีซึ่งจะมีการทอดกฐินในวันที่ 27 ตุลาคมอย่างไรเดเด 1 เดือนเนี่ยวัดทั่วประเทศใช่มั้ยคะ 27 ทั่ววัด อย่างตัวดิฉันเองนะคะท่านคะ เนี่ยช่วงนี้เวลาเราไปกิจกรรมที่ไหนเราก็มักจะเจอคนแจกซองหรือ บางทีเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเค้าไม่กล้าพูดแต่เค้าพูดเรื่องเจ้าภาพคนอื่นอืมมันก็พูดบอกอ่าดิฉันก็อยาก ได้อย่างไรและไม่ควรที่จะคิดอย่างไกลที่ทําให้ของดีหรือกุศลที่กําลังจะได้กลายเป็นอกุศลๆแล้วคุณทํา ก็หมายความว่าคุณให้ทานในงานกฐิน<ใช> เราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องศีลหรือไม่ได้พูดถึงเรื่องโอ้ยไม่เอาหรอกไม่ทํา จะได้ไหมปริมาณบุญที่จะเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมากหรือมันแต่ ประเด็นก็คือว่าบุญที่เกิดขึ้นมันจะไม่เท่ากันนะพระพุทธเจ้า คุณกําลังล้างจานเสร็จแล้วก็เทน้ําล้างจานเนี่ยลงไปในบ่อน้ําตมนะๆน้อยๆที่อยู่ในนั้นมันจะได้กินนะแค่ คุณสมบัติของผู้รับแล้วก็คุณสมบัติของผู้ในอีกสมัยหนึ่งที่อุบาสิกาชื่อว่านันทมาดานันทมาดาตอนนั้นกําลังถวายอาหารนะโดยให้กับหมู่ภิกษุสงฆ์ ปรากฏขึ้นตรงนี้นะบอกว่าการทําบุญของโดยการให้ทานของนางนันทมาดาเนี่ยได้บุญ 6 อย่างคือ 3 อย่างเนี่ยเป็นของผู้ ปฏิกา 6 คือผู้รับนะผู้ให้ต้องมีคุณสมบัติ 3 อย่างนี้ผู้รับต้องมีคุณสมบัติอีก 3 อย่างหนึ่งนะปริมาณบุญที่จะเกิดขึ้นเนี่ยอย 3 อย่างของผู้รับคืออะไรนะก็คือ นะก่อนให้ 3 อย่างนี้คือของ 1 ข้อ 2 ก็คือไม่ 3 คือไม่มีๆก็ เลยเป็นพระอาหารอยู่ในขั้นมรรคอย 3 อย่าง 3 อย่างนี้ของผู้รับเนี่ยจะ อ่ะคนดีขึ้นมาหน่อยมั้ยก็ 1 ขั้น 2 ขั้น 3 ขั้น 4 ไปค่ะเอ่อทีนี้ เขาไปหาปุโรหิตเจ้าก็ก็ปุโรหิตก็เลยถามว่าเออยังให้ทานอยู่ นุ่งผ้าบังสะกุลจะเป็นพระอาหารเนี่ยมันยากนะก็เลย นะแต่ถ้าถวายแก่สงฆ์แล้วก็คือเราต้องเอาเข้าคลังนะใครขาดเค้าก็มาเบิกไปเพราะ แล้วจะรู้ว่าใครมีศีลเนี่ยก็ยากแล้วค่ะเออมันต้องอยู่ร่วมกันมันต้องใช้เวลาพอสมควรถึงจะรู้ได้พระเจ้าจึงให้เอ่อ คุณถ้าพูดถึงพระเตือนให้ไม่เอาไม่ศรัทธาพระเลยถ้าพูดถึงพระโอ๊ยไม่เอาค่ะนะเพราะว่าอะไรเพราะๆไปนั่นแหละเนาะค่ะ <c oughs> ค่ะเอ่อตรงตรงหนึ่งที่คุณเยาว์ติวพูดถึงว่า เขาเอาเอาบิณฑบาตเขากินข้าวอยู่เขาเห็นพระประเจกบุญเอาอาหารไปใส่ครั้งแต่ บุญในฐานที่ตัวเองทําไปเนี่ยตัวเอง ค่ะอืมก็ถ้าเกิดว่าท่านกําลังจะพูดว่าเรื่องของการทํา 2 ส่วนนะคะในการพิจารณาส่วนนึงคือส่วนของผู้ให้ส่วนนึงคือส่วนของใช่ใช่ถูกต้องนะคะอ่าส่วนรับว่ามีด้วย ก็คือถ้าศีลดีผู้รับก็จะทําให้ๆเยอะแยะไปที่ก็มีการค่นนินทากัน เป็นอย่างไรมีความเต็มใจที่จะให้มั้ยถ้าไม่เต็มใจ มีคล้ายคิดแล้วว่าผลเยอะนะคะคิดแล้วว่าหรือเออที่ผ่านมาเขาเคยช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาทําก็ทําแต่ไม่ได้ทําที่เกิดอืมอย่างนี้ทําไปก็ไม่เลยหรือว่า แต่แต่แต่อาจารย์จริงต้องบอกอย่างงี้ว่าก็ในเมื่อเรารู้หลังดีใจเลื่อมดีใจ なるจะได้บุญมากจริงๆค่ะอืมดีใจน้องอ่ามันต้องมีดีใจน้อมใจอืมจะได้ได้ สมมุติ 10 บาทอย่างหรือ 20 บาทอย่างเงี้ยเราจะคิดโอ๊ยเงินน้อยนิดเดียวเงินน้อยนิดคือคนคล้ายๆเหมือนกับว่าเอ่อ บุญเราจะน้อยลงแต่ถ้าเราไม่คิดเราๆเลยค่ะมีโอกาสที่จะทําบุญกันแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องกับทุก ที่ท่านจะทํากันทุกๆคนเลยนะคะกราบขอบพระคุณท่านไปบุญกันใหญ่ยิ่งค่ะค่ะฝันในฝัน อย่างหนึ่งเหมือนกันนึงเหมือนกันเพราะท่านเภบูนอย FM 106 กันในวัน